บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ดเศดุ้หตุผลบางประการ3 Нешто поясну ย์แอส์นัวโอบรัซลูจ о วาทรีนิสโต้โปย์แอส์น ทำไมคุณไม่ทานเ ค, ค้กชิ้นนี้ล่ะคะจูสโตเนียเดเตตูร์ตาต์จูสโตเนียเดเตตูร์ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะยา m มูรัมเดอุสลาบัมยาสมูรัมเดอุสลดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Јас не ја јадам бидејќи морам да ослабам. Јас не ја јадам бидејќи морам да ослабам. Таму ми не држи. Зошто не го пиете пивото? Зошто не го пиете пивото? Дијан, токму треба да а Јас морам уште да возам. Yes มูร์รัมยูสเตด้าวอซัม н ิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Yes เนโกพียมบีดีคิมูร์รัมยูสเตด้าวอซัม Yes เน и กพียมบีดีคิมูร์ร т มย а สเตด м าทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ zo sto g o p i e f e to จู้จี้ก็เมันเย็นแล้วค่ะตัวอื่นศเนาตัวอน no. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะยัสเนโกพี no. ยมบิดเอคิเนยัสเนพียมบิดเอคิศึกน ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะจูสโตเนกเปียยอตจูสโกเปดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะนมมัเชคิร์นมมัเชร์ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะยัสเน g o เ i ียมบิดช y e นี่เปี่าี้นมมัมชกทำไมคุณไม่ทานซุป Zost ดิฉันไม่ได้ไสั่งค่ะ Yes, n ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สัง่งค่ะ ย่าสเนีย а ัดมบิดเอยกิเน а ยนาราดมบิดเอยนียรชฟทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะจูสต์เนโญยัด е ต е มเน о ้อโตจูส н ์เนโญยัดเต็มเนืเ ด, นดิฉันเป็นมังสวิรัติค่ะย่าสุเบ เ, ท เ, ทเ ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ